เป็นคุณสมบัติของวิญญาณเป็นสมรรถภาพของวิญญาณส่วนพ่อแม่สิ่งแวดล้อมอื่นๆรวมทั้งการกระทาในปัจจุบันเป็นแต่เพียงส่วนประกอบเท่านั้นไม่ใช่ตัวการที่จะกำหนดให้เราเป็นอะ wow. ไรเมื่อท่านมีความเข้าใจซึ้งเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณและกฎของกรรมดังที่กล่าวมาแล้วท่านก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่า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 มัคคานัังกิโกเสโถสัจจานังจตุโรปรทาวิราโคเสโถธรรมานังทิปทานันจจกคุมาบรรดาทางทั้งหลายทางคือมัคซึ่งมีองค์แปดเป็นทางประเสริฐสุดบรรดาสัจจะทั้งหลายสัจจะซึ่งมีบทสี่คืออริยสัจสี่เป็นสัจจะประเสริฐสุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราค้ธรรม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 เพราะฉะนั้นจึงต้องการที่จะให้มันดับสนิทผู้ที่มีความรู้สึกอย่างนี้และเข้าใจอย่างนี้เรียกว่ามีจิตน้อมไปสู่นิพพานสาหรับผู้ที่มีจิตน้อมไปสู่นิพพานเช่นนี้จะทำให้ตัณหาอุปาทานในสันดานค่อยๆหมดไปและในเมื่อตัณหาอุปาทานค่อยๆจางลงแล้วอวิชชาที่ครอบงำจิตใจอยู่ก็จะจางลงด้วย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 เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่า น, นั้นนะครับ